พระบัญญัติ632ก็ภิกษุใดให้จิวันแก่ภิกษุเองแล้วโกรธไม่พอใจชิงเอามาหรือใช้ให้ชิงเอามาต้องอบัติสคิยปาจิตตีเรื่องพระอุปนันทศกยบุตจบ